พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจขุนให้แน่วแน่วันนี้เป็นวันพระแปดคำเดือนสิเว็แลมแปดคำเป็นวันรักษาโบสถศีลในครรปังธรรมของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเคยกระทำกันมา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 เป็นไปเพื่อมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในบุญในกุศล เ, ออเมื่อผู้มาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันเป็นขั้นตอนอย่างว่านี่นะให้ถึงพร้อมอย่างนี้แล้วก็ทำให้บุญกุศลมันเจริญขึ้นได้นอกจากการรักษาโสถศินแล้ว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 เอาเรื่องผู้อื่นมาวิจาร์กันไอ้ไอ้หมู่นี้มันได้ชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสารประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอาการกายวาจาใจของตนให้ดีมันถึงจะได้บุญได้กุศลมากแม้ผู้เป็นนักบวชก่อเหมือนกันเน่ผู้เป็นนักบวชเนี่ยก็ยิ่งประพฤติคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับทีเดียว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 ถ้าใครไม่คิดถ้ามันเห็นด้วยตนเองแล้วปฏิบัติก็ไม่ถกูกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร<ะ>ทั้งที่เพิ่นแสดงให้ฟังบ่อยๆ อ, อยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มีอย่างนี้แหละมันหนาแน่นด้วยอวิชชาตันหามากคนเราอะ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้เพราะว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบัติต่างๆนะ แต่ว่าส่วนปีกย่อยทั้งหมขยายออกไปแต่เมื่อพูดถึงหลักจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยอันนี้สํารวมอินทรีหกอย่าเนี้ถ้าสํารวมมาในอินซีคือสํารวมใจนี้ได้แล้วใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นดังว่านี้ละมันก็เท่ากับว่าได้สารวมอินรีย์ทั้งหมดนั่นเองนะการสํารวมอินทรีย์ทั้งหกนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้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 คือว่าถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเราบังคับกายวาจาใจนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเถยเจ้านี้ให้ได้นั่นแหละ่ถ้าตนเองไม่บังคับตนแล้วมันยากอยู่นะมันจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วนนะเช่นอย่างเรื่องภาวนาอย่างเงี้ยแม้จะเป็นนักบวชนี่ก็ขี้ค้านภาวนาอย่าว่าจะเป็นเครือข่เลย จำจี้จำไซกันอยู่เท่าไรมันก็ไม่ไปไหนเลยเพราะคนขี้เกียจภาวนาน่นไะบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงำเอาสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องซึกงค้าลาเพศออกไปไอ้ผู้ประพฤติ พ, พรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้ค้านภาวนาฝึ ก, กจิตใจของตในให้เข้มแข็งตั้งมัน่นอยู่ในบุญในกุศล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 นับตั้งแต่อัตภาพรากายนี่นะออกไปจนถึงทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรมู่นี้บ้านช่องตึกกรามมันก็ย่อยยับลงดูสิพระพุทธเจ้าบัติบังเกิดขึ้นในโลกจากครั้งนั้นล่วงเลยมาถึงบัดนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยไอพราสาทราชมเทียนของพระศิทตถาราชกุมารอันสวยสดงดงามอะไรต่ออะไรมูนั้น มันไปไหนหมดไม่มีแล้วมันพังลงเป็นอิฐเป็นปูนเป็นดินทับผมกันอยู่บ้านของนางวิสาขาก็ดีบ้านของอนัสถาวินดีกะมหาเศรษฐีก็ดีอือหนี้เขาก็สร้างตึกรามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมหาบัดนี้ก็เห็นแต่ซากอิดซากปูนกองกันเหมือนกับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียว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 ผู้คลองเรือนนี่นนว่าเป็นอยู่ไม่อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดําเนินชีวิตไปล่วงขอบเขตแห่งศีลธรรมไปทั้งนี้ก็เพราะด้วยอํานาจแห่งตันหานั่นแหละด้วยอํานาจแห่งอวิชชาความไม่รู้อเป็นเหตุให้คนเราล่วงศีลล่วงธรรมไปเพราะไม่รู้ ไม่รู้ว่ะทําอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมนั้นจะนําสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกหน้ายืดยาวนานมันคิดไม่เห็นเลยอย่างที่ว่านี้น่ะถ้าผู้ใดคิดเห็นได้ผู้นั้นก็ไม่ล่วงกรอบแห่งสินแห่งธรรมเลยสเสวงหาเลี่ยงชีดก็สเสวงหาอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้น เพราะผู้นั้นได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี้อัตภาพร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเมื่ผู้ใดจะหาอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงมันสักเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีแต่สุดโทมไปอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นได้ดังพวกเศรษฐีก็ะะบอดี หมูนั่นร่แต่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านาแล้วก็ไม่เห็นว่ามันยังยืนอะไรกันเลยเไปไปหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะสมบัติทั้งหลายที่สะสมไว้ก็ตกเป็นของผู้อื่นไปอันหมู่นี้นะที่วควรคิดควรพิจารณาไม่ควรที่จะไปติดรสชาติของอาหาร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 คนสวนมากกันนั่งเก้าอีน้นุ่มโซฟาเวลานั่งคุยกันเนะ่อย่างนั้นแหละนอนกันนอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่ม <c oughs> เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ล้วเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ถ้าไม่จาเป็นจริงจิงก็เลยไม่จะที่นั่งที่นอนหมอนมุง้ง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 ไม่หลงยินดีพอใจแต่ในความสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มยินดีรักษาอุโบสถสิ้นเพราะว่ามานึกถึงชีวิตนั้นมีประมาณน้อยเดียวะจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆหูวนี้นี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล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 มันมีใจเป็นผู้ประกอบไว้ <c oughs> ใจน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ยอมเกิดขึ้นนี่นะใจน้อมไปในความรักความรักมันก็เกิดขึ้นในใจ <c oughs> เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนชออกพอใจก็รู้สึกว่าดีอกดีใจชุ่มชื่นเลยใจเบิกบานนี่แหละเมือ่อเมื่อใจมันน้อมไปทำแห่งความรัก กรงกันข้ามเอาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็ตนต้นอันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพราะอกพอใจก็เกลียดชังมาหนี่นะ่นใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คิดอิจฉามานี่คิดเบียดเบียน อ, อยากจะให้มันลมหายใจไปจากโลกนี้ซะอย่าให้ได้พบได้เห็นมัน คนผู้นี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้เราเกลียดชังมันเลอเกินอันมุนี้นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทั้งนั้นแหละ <c oughs> น้องพี่นะดูให้ดี <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างยิงว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ยบัดนี้ใจที่ได้ฝึกฝนอบรมไในวัยพระนั่งสมาธิภาวนาได้ฟังธรรม ได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้ว ม, มันก็วันไม่วันไรไปตามสัมผัสดังกล่าวมานั้นไม่หลงยินดีไปตามอารมณ์ทินาพอใจไม่หลงยินร้ายไปในอารมณ์ที่น่าเกลียดหน้าชังโดยเจริญปัญญาวิปัสสนาต่อได้แบบนี้นะสาเหตุที่มันจะละความยินดีินร้ายได้นะอโดยกําหนดเพ่งพิจารณา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 ซึงบนบาปตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ว่าสัตว์ว่าคนว่าญิงว่าชายว่าอะไรต่ออะไรไปตามสมมุติที่ตั้งกันขึ้นมานี่ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมอบรมปัญญาให้เกิดแล้วมันก็ต้องพิจารณารู้แจ้งตามเป็นจริงในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นไง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 แต่เราไม่หลงให้พากันคิดเข้าใจให้ดีอันในเมื่อยังมีตาหูจมูกกลิ้นกายอวัยวะมือเท้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วจะไม่ให้สัมผัสถูกต้องกับรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีอยู่อย่างนี้ประจำวันประจำเวลาแต่ผู้มีสติปัญญามันถึงไม่หลงเท่านั้นเองเลยวางตัวเป็นกลางต่อ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 ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พิจากรก้อนที่จะบริโภคปัจจัยสี่เนี่ยได้อาหารมาก็พิจารณาอาหารให้เห็นลงเป็นธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยแล้วแล้วถึงค่อยบริโภคได้ผ้านุ่งผ้าห่มมาก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เมื่อเวลาอยู่นอกกายก็รู้สึกว่าสวยสดงดงาม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 มันก็ติดก็คล่องนะ